ท่า น, นที่พระพุทธเจ้าจะสอนเนี่ยนะก็คือสอนผู้ที่เขามีอุปนิสัยมีบุญมีวาสนาสร้างสมอัธยาสัยพอจะได้ตรัสรู้องค์ก็เห็นแล้วว่านี่แหละสองคนนี่แหละคือคันดะและติสสะมีเป็นคนฉลาดเฉียบและมีปัญญามีกิเลสเพียงดังธุรีในจักสุเบาบางสิ้นกาลนาน ฉนัยเนาเราพึงแสดงธรรมแก่พระราชโอรสพระนามวัคคันดะและบุตรบุโรหิตชื่อว่าติสสะก่อนคนทั้งสองนั้นจากรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้อย่างรวดเร็วนันะสองคนนี้เป็นคนฉลาดมากสอนแป๊เดียวบรรลุแลรู้เพราะอะไรเพราะเป็นคนมีบุญคือคนที่มีบุญแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะพอได้แนวทางที่ถูกต้องเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามทันทีพร้อมที่จะทําตามทันทีแล้วก็ทําตามสําเร็จอย่างที่บอกตรงนั้นเลย นะเพราะว่าการเจริญโพธิปัจจะธรรมการเจริญอริยมรตมีองค์8ดนั้นนะ่ะเป็นการปฏิบัติทางใจเนี่ยนะเป็นการเจริญคุณธรรมทางใจมันถ้าฟังเข้าใจแนวทางวิธีการที่ถูกต้องสามารถที่จะคิดตามคำสอนแป่เดียวก็ตรัสรู้ได้เรียกว่าปล่อยจิตไปตามกระแสะธรรมเงี้ยเงี้ยโสดลงฟังธรรมรวบรวมใจทั้งหมดประมวลใจทั้งหมด ตรึกตามพระธรรมประเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนและทําอย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนบรรลุเลยเนี่ยนะพระองค์ก็เลยคิดว่าสองคนนี่แหละจะรู้ทั่วถึงธรรมะได้เรียอย่างเดียวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้หายพระองค์ที่ควงโพพฤกไปปรากฏพระองค์ณนะมฤุกขายวันชื่อว่าเขมะ หายพระองค์ไปนะดังพระพระพระพุทธเจ้าบางองค์ก็เหาะไปบางองค์ก็พุทธดําเนินไปเช่นพุทธเจ้าของเราก็พุทธดําเนินไปส่วนพระพุทธเจ้าวิปสัสสีหายพระองค์ไปเราหายตัวไปก็พระองค์ก็ไปปรากฏอยู่ที่โน่นนะที่สวนชื่อว่าเขมะในพระนครพันธุมดีราชธานีเปรียบเหมือนบุรุษที่กําลังเหยียดแขนออกซึ่งแขนที่คู้เข้าไว้หรือคู้เข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกเอาไว้ฉันคนมีกําลังเนี่ยนะคนมี นักกีฬาเนี่ยที่ไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยเหยียดเข้าเหยียดแขนงอแขนเนี่ยไม่ยากไม่เย็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็หายตัวจากโพธิโพพฤกคือที่ที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะไปที่เข ม, มรกระทายวันเมืองพันทุมดีราชธานีก็วัดเดียวฉะนั้นขันดะราชโอรสขันดะเนี่ยนะเป็นน้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นน้องต่างมารดาส่วนติดสะนั้นเป็นบุตรของปุโรหิตเนี่ยนะ ดูการพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสามพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตรัสเรียกคนเฝ้าสวนมรกคทายาวันมาแล้วบอกว่ามานี่นายมรรคทายบาลก็บอกมานี่นะคนดูแลสวนหมอนันเธอจงเข้าไปยังพระนครพันทุมมดีราชธานีแล้วบอกกะพระราชโอรสพระนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติสสะดังนี้ว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จถึงพระนครพันทุมดีราชธานีแล้วตอนนี้พระองค์กําลังประทับอยู่ที่มฤรคธายวันชื่อว่าเขมะพระองค์ทรงพระประสงค์จะพบท่านทั้งสองดูก่อรพิสูจนทั้งหลายนายมฤรคธายบาลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วนะ นายมรทายาบาลก็คือคนดูแลสวนก็เข้าไปยังพระนครพันธุมดีแล้วก็แจ้งข่าวกับพระราชโอรสพระนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะว่าพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วว่ะคนมีบุญไม่เป็นยังไงเลยนะ แห่สะสมบุญว่ายดีสั่งสมบุญมาหนึ่งอสงไขยแสนกลับกำลังอยู่ในวังอยู่ในบ้านสบายๆคนเฝ้าสวนเรียกมาฟังให้บรรลุธรรมเลยนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบธรรมดาก็บอกว่าอยู่บ้านใช้ๆเขาเรียกให้ไปเป็นพระราชาเนี่ยนะอ๋อสบายเลยเทำบุญมาดีนะนะเพกิุทั้งหลายครั้งนั้นแหละพระราชโอรสพระนามว่าคันดะและบทปุโรหิตชื่อว่าติสสะ สคนเนี่ยนะเป็นจะเป็นอักรสาวกขันดะเนี่ยจะเป็นอักขระสาวกข้างขวาติดสะเป็นอัคขระสาวกข้างซ้ายานะทั้งสองท่านนี่ก็สั่งให้บุรุษเทียมยานที่ดีๆขึ้นสู่ทายสู่ยานที่ดีๆก็เข้าไปในพระนครออกจากพระนครพันทุมดีราชธานีคือสวนกับตัวในในภายในตัวเมืองนี่แยกกันนะ่ยนะ ขณะที่ไปด้วยราชยานดีพร้อมกับราชยานดีๆทั้งหลายขับตรงไปยังมฤุกขายวันชื่อว่าเขมะไปด้วยยานตลอดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะเป็นไปได้พอยานไปถึงก็จอดยานลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีแล้วก็นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ตรัสสอนอนุปุพิกถาแก่ท่านทั้งสองนั้นนะคือว่าคําธรรมะที่แสดงไปตามลําดับหรือคําสอนที่แสดงไปโดยลําดับคือพระองค์ก็ประกาศทานนะประกาศทานนกถาพันานาอานิสง์ของทานประกาศศีลกถาพรนนาศีลและอนิสง์ของศีลกล่าวถึงสวรรค์และความสุขในสวรรค์ น, นะการมาทีนบโทษของกามที่ต่ำช้าเน่นะว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันเศร้ามองมันต่ำช้ามันเศร้ามองอย่างไรประกาศอ น, นิสงฆ์แห่งเนกขมมะคือออกจากกามทั้งหลายได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าท่านทั้งสองนั้นน่ะมีจิตคล่องมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใส เนี่ยนะก็คือคนที่ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับน้ําซักผ้าน้ําที่มีอุปกรณ์สมบูรณ์แบบคู่ควรแก่ซักจิตก็เหมือนกับผ้าพราะองศ์ไตใจของเขาก็ออกใสขึ้นใสขึ้นจิตใจก็ผ่องใสจิตใจไม่ถูกนิวร์กลุ่มรุมอนี้นะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นนิวร์ไม่ต้องต้องไม่กลุ่มรุมอันนี้เป็นเครื่องวัดในการฟังคําสอน คำสอนเนี่ยนะ ท, ที่แสดงดีเนี่ยไพเราะในเบื้องต้นหมายความว่าขณะที่ฟังใจก็ต้องผ่องใสนิวอนไม่กลุ่มรุมนั่นแหละลักษณะของการฟังธรรมเป็นอย่างนั้นมันจิตก็สูงขึ้นใจก็ผ่องใสเมื่อพระองค์รู้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือพระองค์ยกพระธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสรู้ด้วย พระสัพพัญยุตยานพระองค์เองที่พระองค์สร้างสมมายังได้แต่สรุปคืออริยสัจสี่พระองค์ก็ประกาศทุกทุกทุกทุกนี้แปลว่าเจ็บปวดใช่ไหมทุกเนี่ยเคยแปลมาทุกไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดทุกเนี่ยมาจากคำว่าทุกบวกขังทุกแปลว่าเลวไม่ดีขังแปลว่ามันเหมือนอากาศเคยเห็นฟ้าผ่าไหมเสร็จแล้วฟ้ามันผ่าเสร็จสร้างความเสียหายเสร็จแล้วฟ้าไปอยู่ที่ไหนอ่ะนะชั้นใดก็ดีเนี่ยนะทุกก็เหมือนกังเนี่ยนะ ทุกก็แปลว่ามันเลวร้ายมากขังก็เหมือนอากาศอย่างชีวิตบางคนที่เกิดขึ้นมาในโลกแสนจะเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเสร็จแล้วก็ตายหายไปจากโลกไปแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุกข์ขังเคยใครเคยเป็นฝีมั่งไอตอนเป็นฝีเนี่ยเจ็บจริงๆเลยปวดจริงๆเละพอฝีมันหายแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะนั่นก็เลยบ่าทุกข์ขังเนี่ยนะมันไม่ดีด้วยแล้วมันก็ว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเนี่ยนะเหมือนคนฝันร้าย ใครเคยฝันร้ายบ้างตือนกลางคืนโอ้ยฝันร้ายมันจะเอาจริงเป็นจังมากแล้วนะตือนเช้ามาเออเรื่องอกไปทีนนึกว่าจริงอะนะก็คือมันลักษณะทุกขังเนี่ยมันลักษณะความฝันร้ายมันไม่ดีด้วยถึงแม้กระทั่งของดีๆล่ะเอ้าเคยฝันดีบ้างไหมถึงอย่างนั้นก็เช่นกับความฝันนั่นแหละฝันก็คือฝันวันยังค่ําสังขารทั้งหลายก็ทุกขังแปลว่าเหมือนความฝันก็ได้ ไม่ได้มีสาระคงทนถาวรแน่นอนอะไรรอกไม่ได้ดีจริงรอกสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์และดับทุกข์ค่ะสมุทยัยอริยมรรคก็คือข้อปฏิบัติให้ให้อะไรให้ถึงข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ทุกข์ละสมุทยัยถึงนิโรธตรัสรู้นิโรธมีนิโรธทําเป็นที่ดับทุกข์เป็นอารมณ์ทีนี้ พอประกาศอริยสัจจบเป็นยังไงธรรมะจักสุนะธรรมะจักสุดวงตาเห็นธรรมเป็นชื่อของอะไรโสดาปฏิมักเนี่ยนะโสดาปฏิมักสกะทาคามีมักอนาคามิมักเรียกว่าธรรมะจักสุดวงตาเห็นธรรมหมายถึงอริยมรรคนะจิงกะเรียกว่าตาที่เห็นธรรมอ้าวถ้าเราได้ยินก็ได้ยินธรรมไม่ใช่เห็นธรรมมันเห็นธรรมนั้นเห็นด้วยโซดาปฏิมัก เห็นด้วยสกทาคามิมัชเห็นด้วยอนาคามีมัชอริยมัชต้องประชุมด้วยองแปดนะอริยมัชเนี่ยประกอบไปด้วยองแปดนั่นแหละเป็นขณะที่อริยมัชเกิดอริยมัชเนี่ยปราศจากทุลีไม่มีละอองพิษร้ายเนี่ยนะคำว่าละอองแห่งความเลวร้ายก็คืออากาศที่มันเป็นพิษเนี่ยนะฝุ่นฝุ่นมีพิษนะฉันใดกิเลสมันก็เหมือนกับฝุ่นมีพิษฝุ่นมีพิษถ้าฝุ่นมีพิษไหลเข้าตาอะไรจะเกิดขึ้น เ ค, เคยเดินแล้วฝุ่นเข้าตามไหมแล้วฝุ่นอันนั้นเป็นฝุ่นพริกเหรอไ่แค่ปอกหอมนะมาเคยเขาเคยใช้ให้ปอกหอมก็ปอกไปน้ําตาไหลพรากๆเลยนะทําไมเป็นอย่างนั้นเคยปอกหอมไหมปอกหัวหอมอ่ะนะปอกนะปอกไปครึ่งขังไอ้ครึ่งขันเนี่ยนะปอกไปครึ่งกิโลเนี่ยน้ําตาไหลพรากเลยนะนะ หรือไม่ก็บอกว่าสาพริกแห้งเข้าตาด้วยพริกป่นเนี่ยนะโอ้โหมันจะขนาดไหนอะและ้วมันมีพิษฉันใดไอละอองทุเรีที่เป็นกิเลสก็ฉันนั้นเวลามันไหลเข้าใจใจมันก็มีพิษอย่างนั้นนะก็เรียกว่ามันอักเสบทางความคิดอ่างนั้นนะก็ใจอักเสบแต่ว่าโสดาปฏิมักเนี่ยไม่มีทุลีทําให้อักเสบแบบนั้นแปลว่าใจที่สมบูรณ์มากคนที่บรรลุมักผลเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับเหมือนว่า ไม่มีตัวไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยนะบอกไม่เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์มีความยุติธรรมมีสติปัญญาบริบูรณ์ที่สุดเลยอะ่ะฉลาดที่สุดไม่ใช่แบบลักษณะแบบสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบบรรลุแบบคล้ายๆกับเคลิมเคลิมอันนให้แบบเคลิมเคลิมแล้วก็เอคอนซอนก็บอกว่าเหมือนกระเสกเหมือนกับสวดเหมือนกับอะไรอักคุณบรรลุแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นมันถู ก, อ ะ, กอะไรนะ เรีว่าเหมือนกับสะกดจิตเนี่ยนะไอการผู้ที่บรรลุธรรมไม่ใช่ตกอยู่ในภาวะเหมือนตัวเอง ถูกสะกดอะไรเป็นต้นไม่ใช่เลยเป็นสภาพจิตเนี่ยอย่างที่ฟังตอนแรกอยู่แล้วนะจิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานจิตไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมใจสูงขึ้นใจผ่องใสนั่นแหะคือลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะจะต้องมีใจที่ไม่มีนิวรณ์กลุ่ม ร, มรุมเลย น, นะเป็นใจที่อ่อนควรแก่การงานเป็นใจที่สูงเป็นใจที่ ผ่องใสเมื่อใจที่สูงใจที่ผ่องใสพอได้ยินได้ฟังอริยสัจดวงโซดาปฏิมาศเกิดขึ้นขณะที่โสดาปฏิมาศเกิดขึ้นนั้นน่ะไม่มีธุลีไม่มีมนฑินมนฑินแปลว่าความเศร้าหมองเหมือนอย่างว่าเหล็กเนี่ยอะไรที่ทําให้เหล็กเศร้าหมองสนิมที่อยู่ในเหล็กฉันใดราคะโทสะก็ไปทำเป็นตัวที่ทําให้ใจเศร้าหมองโสดาปฏิมาศรปราศจากสนิมใจ ฉะนั้นเหมือนทองที่อยู่ในเบ้าหลอมบริสุทธิ์ดีปราศจากราขีฉะนั้นเนี่ยนะ